เรื่องศาสดาห้าจำพวกภิกษุทั้งหลายศาสดาห้าจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกคือหนึ่ง ศาสดาบางท่านในโลกนี้มีศีลไม่บริสุทธิ์แต่ปฏิญญาว่าเราเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ศีลของเราบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่เศร้าหมองพวกสาวกรู้จักเขาอย่างนี้ว่าศาสดาท่านนี้เป็นผู้มีศีลไม่บริสุทธิ์แต่ปฏิญญาว่าเราเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ ศีลของเราบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่เศร้าหมองแต่พวกเราพึงบอกแก่พวกครหันก็จะไม่เป็นที่พอใจของท่านพวกเราจะกล่าวถ้อยคำที่ท่านไม่พอใจได้อย่างไรอันหนึ่งศาสดานั้นยกย่องพวกเราด้วยจีวรบินทบาทเสนาสนะและคิลานปัจจัยเพสัตว์บริขาร ท่านทำกรรมใดไว้ก็จะปรากฏตัวออกมาด้วยกรรมนั้นภิกษุทั้งหลายพวกสาวกย่อมรักษาศาสดาเช่นนี้โดยศีลและศาสดาเช่นนี้ก็หวังการรักษาโดยศีลจากพวกสาวกสศาสดาบางท่านในโลกนี้มีอาชีพไม่บริสุทธิ์แต่ปฏิญญาว่า เราเป็นผู้มีอาชีพบริสุทธิ์อาชีพของเราบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่เศร้าหมองพวกสาวกรู้จักเขาอย่างนี้ว่ า, าศาสดาท่านนี้มีอาชีพไม่บริสุทธิ์แต่ปฏิญญาว่าเราเป็นผู้มีอาชีพบริสุทธิ์อาชีพของเราบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่เศร้าหมอง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 ภิกษุทั้งหลายพวกสาวกย่อมรักษาศาสดาเช่นนี้ไว้โดยอาชีพศาสดาเช่นนี้ก็หวังการรักษาโดยอาชีพจากพวกสาวก 3. ศ า, าสดาบางท่านในโลกนี้เป็นผู้มีธรรมเทศนาไม่บริสุทธิ์แต่ปฏิญญาว่าเราเป็นผู้มีธรรมเทศนาบริสุทธิ์ ธรรมเทศนาของเราบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่เศร้าหมองพวกสาวกรู้จักเขาอย่างนี้ว่าศาสดาท่านนี้เป็นผู้มีธรรมเทศนาไม่บริสุทธิ์แต่ปฏิญญาว่าธรรมเทศนาของตนบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่เศร้าหมองแต่ถ้าพวกเราพึงบอกแก่พวกคฤือหัดก็จะไม่เป็นที่พอใจของท่าน พวกเราจะกล่าวถ้อยคำที่ท่านไม่พอใจได้อย่างไรอันหนึ่งศาสดานั้นย่อมยกย่องพวกเราด้วยจีวรบินทบาทเสนาสนะและคิลาณะปัจจัยะเพศบริขารท่านทำกรรมใดไว้ก็จะปรากฏตัวออกมาด้วยกรรมนั้นภิกษุทั้งหลาย พวกสาวกย่อมรักษาศาสดาเช่นนี้ไว้โดยธรรมเทศนาศาสดาเช่นนี้ก็หวังการรักษาโดยธรรมเทศนาจากพวกสาวก 4. ศาสดาบางท่านในโลกนี้มีเวยากรณะไม่บริสุทธิ์แต่ปฏิญญาว่าเราเป็นผู้มีเวยากรณะบริสุทธิ์ วิยากรณะของเราบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่เศร้าหมองพวกสาวกรู้จักเขาอย่างนี้ว่าศาสดาท่านนี้เป็นผู้มีวิยากรณะไม่บริสุทธิ์แต่ปฏิญญาว่าเราเป็นผู้มีวิยากรณะบริสุทธิ์วิยากรณะของเราบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่เศร้าหมองแต่ถ้าพวกเรา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 ภิกษุทั้งหลายพวกสาวกย่อมรักษ า, าศาสดาเช่นนี้ไว้โดยวัยากรณะาศาสดาเช่นนี้ก็หวังการรักษาโดยวัยากรณะจากพวกสาวก 5. า, าศาสดาบางท่านในโลกนี้มีญาณทัศนะไม่บริสุทธิ์แต่ปฏิญญาว่าเรา เป็นผู้มียานะทัศนะบริสุทธิย์ยานะทัศนะของเราบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่เศร้าหมองสาวกรู้จักเขาอย่างนี้ว่าศาสดาท่านนี้เป็นผู้มียานะทัศนะไม่บริสุทธิ์แต่ปฏิญญาว่าเราเป็นผู้มียานะทัศนะบริสุทธิย์ยานะทัศนะของเราบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่เศร้าหมอง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 ก็จะปรากฏตัวออกมาด้วยกรรมนั้นภิกษุทั้งหลายพวกสาวกย่อมรักษาศาสดาเช่นนี้ไว้โดยยานะทัศนะและศาสดาเช่นนี้ก็หวังการรักษาโดยญานทัศนะจากพวกสาวกภิกษุทั้งหลายศาสดาห้าจำพวกนี้แหละ มีปรากฏอยู่ในโลกภิกษุทั้งหลายเรามีศีลบริสุทธิ์จึงปฏิญญาว่าเราเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ศีลของเราบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่เศร้าหมองพวกสาวกย่อมไม่รักษาเราโดยศีลและเราก็ไม่หวังการรักษาโดยศีลจากพวกสาวก ภิกษุทั้งหลายเรามีอาชีพบริสุทธิ์ละเรามีธรรมเทศนาบริสุทธิ์ละเรามียานาัศนะบริสุทธิ์ยานททศนะของเราบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่เศร้าหมองพวกสาวกย่อมไม่รักษาเราไว้โดยญาณทัศนะนะและเราก็ไม่หวังการรักษา โดยญานทัศนะจากพวกสาวกภิกษุทิทั้งหลายไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะปรงชีวิตตถาคตด้วยความพยายามของผู้อื่นพระตถาคตทั้งหลายย่อมไม่ปรินิพานด้วยความพยายามของผู้อื่นพิกษุทั้งหลายพวกเธอจงไปอยู่ตามที่เดิม พระตถาคตทั้งหลายเป็นผู้ที่ไม่ต้องอารักขา